50 t languages. 93้าอนุประโยคใช้เชื่อมอธิหนวากยา a าวดูอาตวะอิลลฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ อ u ัน sure. ูน <fin anta> <ots> ันนันน่พริติสุตตาน้อยิ่งลวโวนันเกะติลฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่อวันูหินทรุกีบารุตตาน้อยิ่งลวโวนันเกะกุตติลฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่อวันูนันเกะฟอนมาดุตตาน้อยิ่งลวโวนันเ e ะกติล เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้บะหุษย์เหาะอาวันุนันนโน่พริติสุบุติลเวนเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้บะหุษย์เหาะอาวันุหินธิรุกีบารุบุติลเวนเขาอาจจะไม่โทรมาหาดีฉันก็ได้บะหุษย์เหาะอวนนันนเกโฟนมาดุบุติลาเวโน ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมอวโนนันนบัจเกยยชิสุตานยิลลวเยมบุดูนันนปเนดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมอวโนยินโนบะรันโนฮนดิดานเยเยมบุดูนันนปเนดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก อวนุสุลลูเฮลุตตานเอมบุดูนันนาชินเตเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าบหุษยาอาวนูนนนบัเกออาโลชิสุตตานเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าบะหุษยาอาวันุอินโนบลนัลโนฮุนดิดดานีเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ บะหุษยาอวันูนันเกะนิจาเฮลุตานีฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่อวนิเกนานูนิจาวาจิยูอิส t เว e ยนน u บ u ดูนันนาสนเดฮฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่อวนูนันบยุตตานีเอิมบุดูสเด ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่อาโนนนั่นโน่มาดูเวอากุตตานี้ยินนบุดูนั่นนะสันเดหเขาจะชอบฉันจริงจังไหมอาโนนั่นโน่นิจาวาเกลูเปรติสุตตานะเขาจะเขียนมาหาฉันไหมอาโน่นนั่เกย์บรยุตตานะ เขาจะแต่งงานกับฉันไหมอาวนุนันนุมาดุเวยากุตตานะ